ทีนี้พอทำกรรมไม่เหมาะสมขึ้นมาเนี่ยต่อมาพระเดวท้ า, ายก็ลงอบกระโปรแล้วนี่ก็มีบุญอยู่อย่างเพราพ่อตายไปแล้วได้เป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะต่การที่ตนเองสํานึกในกรรมที่ทําไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยตั้งแต่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยนอนไม่ได้เลยอะ่ะนี่คือมีจิตสํานึกนั่แหละไม่ใช่แบบนี้นอนไม่เคยหลับเลยเนี่ยสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเลยในยจังหวะกระแว่งในขั้นระเบริพันธ์ที่ จ, ง, จงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารก็เยอะ ใช่ไหมใพราะพระเจ้าเพิมมิศาลเป็นพระโสดาบันเป็นพระเอเยบุคคลเนี่ยมีข้าราชบริพารมากมายที่เคารพนับถือเนี่ยแล้วต่อมาตนเองก็เป็นกษัตริย์หนุ่มด้วยใช่ไหมขึ้นมาปกครองแนละ้วตอนนั้นก็ยังปกครองได้ไม่กี่ปีไม่กี่ปีเองนะตอนที่อยู่พระพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ยตอนที่ พ, พระพุทธเจ้าประทับที่ชีวกาอัมพวันเนี่ยนะที่อาชาติศตรูไปไปไ ป, ไปฟังธรรมที่ พ, พระพุทธเจ้าแสดงสามัญญผลแล้วสูญเนี่ย ตอนนั้นน่ะได้ปกครองไม่น่าจะถึงไม่น่าถึงสองปีเลยนะไปได้เป็นพระเจ้าเป็นดินตอนนั้นหมอชีวโกมาระพัฒก็พาไปขนาดพร้อมได้พ้นเสนาไปเยอะหมดใช่ั้มแต่ในสมัยครั้งพุทธการเวลาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องถอดหมดนะใครจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรองเท้าก็ถอดเครื่องทรงกระสัดก็ต้องเอาออกเครื่องมกุฎภัณฑ์อะไรต่างๆอันนี้ต้องนำออกหมดเลยจะไปใส่ชุดพระเจ้าเป็นดินที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้านี่ไม่ธรรมดานาะ คนต้องเคารพจริงๆเข้าไปบอกว่ามีพิกษูน2 5หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเข้าไปเงียบหมดตกใจไหมพระพระเจ้าชาตูเนี่ยเดินนิเซเลยเดินไปเนี่ยเดินไปนิเซเราแหวงเหงื่อก็ตกเหงื่อตกเลยนะคิดว่าโดนลวงมาฆ่าแน่นอนจะมาเพราะหมอชีวกบอกว่ามีพิกษูน2 5หนึ่งพันสองรอยห้าสิบูปแต่ทำไมถึง ทำไมถึงเงียบขนาดนี้คนอยู่กันเป็นเรือนพันซึ่งไม่เคยเห็นบรรยากาศของพระอิยาเขาชุมนุมเง น, นี่ในระหว่างที่ไปนั้นนะ่ะก็ถามถามหมอชีวอกสามครั้งนะสหายถามเพื่อนเพื่อนไม่ได้รวงเรามาค่านะเพื่อนไม่รวงเราม า, าจนจนหมอชีวอกต้องประคองเลยจากที่เป็นคนมีแรงมากประดุลต่างช้างสารนี่นะแรงหมด ยิ่งเดินเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทั้งรั้งที่รู้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่ท่ามกลา ง, งล พ, าพิกษูสงฆ์แล้วพระพิกษุสงฆ์ก็ทุกรูปก็หันมองพระรูปของพระพุทธเจ้าเงียบไม่หลับนะมองจ้องแล้วก็เงียบอยู่ไปที่ชีวกามพวันเนีนะแล้วามาันั่งคิดว่า เราคิดว่าพระเหล่านั้นที่มองพระพุทธเจ้าเฉยๆกันอยู่เนีพระองค์พระเหล่านั้นมองไล้ท่านคิดอะไรกันรู้ไหมท่านคิดอะไรท่านสามารถมองได้เป็นคืนเนยนะพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเนี่ยมองแล้วชมว่าโอ้งามจริงๆงามจริงๆแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะท่านมองเนี่ยท่านมองรูปเนี่ยท่านรู้อนุพยัญชนะรู้มหาปุริสระขนาดสามสิบ สประการและอนุพยัญชนะ80ท่านไม่ใช่รู้แค่แค่ผลอย่างเดียวนะผลของกรรมอย่างเดียวนะท่านรู้กรรมด้วยว่ากรรมที่พระบรมศาสดาสั่งสมอัธยาสายสร้างบารมีมาเสียสงขายิ่งด้วยแสนกลับในการบําเพ็ญทานาบารมีศีลบารมีเนคขม้าบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นจนถึงเวขาบารมีเป็นที่สุดนี้นะที่พระองค์ประพฤติกายกรรมวิจีกรรมและอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ย ในการสละในการบริจาคในการที่สั่งสมอัธยาศัยในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมของพระพุทธองค์เนี่ยทำงดงามมากนั้นกระแสกรรมที่พระองค์ทํามาเนีนพุทธบรมีของพระองค์ทํามาเนี่ยกรรมนี้มาทําให้ได้ตาอย่างนี้ได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ผมได้ขนได้ผมได้เล็บได้ฟันได้หนังได้เนื้อได้เอ็นได้กระดูกได้เยื่อในกระดูกเป็นตัวเหลนี้ทุกชั้นส่วนเนี่ยที่เป็นพระรูปของพระพุทธเจ้านั้นมาจากกุศลกรรมชั้นปรงนี้ชั้นละเอียดชั้นแข็งแรงมากนะ ไม่ใช่ได้มาแบบประเภทที่โอ้ยแบบประเภทที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยได้มาเนียฉะนั้นเวลาพระเหล่านั้นมองพระรูปของพระเจ้า ก, ก็เจริญพุทธคุณในส่วนของรูปขันธ์แล้วก็ในส่วนของคุณธรรมภายในของพระองค์เป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ไข่ควรในการดิจทาปลาโมดปีติปัสสติความสุขแล้วก็สมาธิยถาภูรทายนนทศนาให้เกิดขึ้นอยู่ไหมพอปีติปราโมดเกิดขึ้นท่านประชุมลงในอริยสัจได้เนี่ย สามารถแยกแยกโดยความเป็นรูปน้ำเป็นยังไงโดยความเป็นปัจจัยของน้ำรูปเป็นยังไงโดยความเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปวนเป็นยังไงเป็นต้นในที่สุดจริงๆเป็นปัจจัยแก่การละฉันทราค่าแก่พระที่ยังละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้เป็นต้นนั่นจากการมองพระรูปของพระเจ้าแท้ๆท่านก็ไปชมมารยาศาสตร์ได้เนี้ยและท่านจะไม่ได้สนใจอย่างอื่นขนาดว่าพระเจ้าชาติสโตไปนี่นะพร้อมด้วยเศนาอมาดเนี่ยอย่างละห้0ร้อ้าอยเยอะแยะไปหมดนี่นะ เขาว่าท่านกล่าวเข้าไว้บอกว่าพระแต่ละรูปไม่เคยมีใครหันมามองพระราชาวมหากระสัเลยน่าสะใจไหมถ้าอย่างเรานี่นะเอานี้พระกาลังเทศทังทั้งเอาพระธรรมของพรุทธเจ้ามากล่าวเนี้ยไม่ต้องถึงอามาไม่ต้องถึงพระราชาเสด็จบอกโอ้ราชองคลักมามีคนรีบวิ่งไปต้อนรับใช่ั้มใช่ไม่ใ ช, หใช่หนึ่งในนั้นนี่นั่นนงใน น, น, งนี้จะต้องรีบไปแล้วโอ้ไม่ได้แล้วจะต้องรีบออกไปต้อนรับใช่ไม่ใช่ นี่ยใหม่นี่ไงถึงบอกว่าพระเจ้าชาตูเข้าไปเลยกายเป็นนตัวเล็กๆนอกจากเงินเล็กแล้วก็ประเภทที่แรงหมดไปด้วยเงื่อแต่เงื่อนออกจากแจ็กแล้วเป็นประเภททาไมให้กลัวเกรงเกรงพระราชอำนาจของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตนเองไปฆ่าพระราชบิดาซึ่งเป็นโยมใช่ไหมอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า น่าเกรงใจไหมแล้วพระเจ้ามีวิชาแปดใช่หมหนึ่งในวิชาแปดมีอะไรบ้างอิทธิวิทะมโนวยิทธิเจโตปริยญาณใช่ไหมปุเพนิวาสานุสติญาณจูตูปปาตญาณอาสวกรกายญาณเป็นต้นถามว่าอะไรบ้างที่พพุทธเจ้าไม่มีวิชาอะไรบ้าง ม, ม, มันมีมานั่งคิดให้เรามีกี่วิชาเอาวิปัสสนามีมหมแต่นี้มีว่าเอาวิปัสสนาไปก่อน ฉะนั้นเข้าไปก็กเกรงแล้วและออย่างหนึ่งพระพ ร, ระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบันแล้วพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความรักมีความเคารพมีความนอบน้อมในพระพูทธมีพระภาคเจ้าอย่างอย่างยิ่งยิ่งขนาดไหนขนาดทุกขเวทนาเกิดขึ้นกัพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดอย่างมากจากการไม่ให้ได้อาหารเนี่ยทุกทีก็ได้อาหารอย่างทุลักทุเลแล้วแล้วอยู่ต่อมาถูกห้ามไม่ให้อาหารเข้าไปเลย แต่พระเจ้าพิมพิสานอาศัยจากช่องหน้าต่างเล็กๆมองไปที่พระคันธกูดีที่เขาพิจกูดของพระผู้มีพระเจ้าและเดินเสด็จจงกรมไปมาลงมาเนี่ยอยู่ด้วยปลาโมดปีติประสัทธิความสุขอยู่ด้วยสมาธิและเรามองแค่ตรงเนี้ยคนที่สามารถใช้นามมรรมนี้นะกระแสขันซึ่งเป็นส่วนของนาำมรรำและลึกถึงคุณของพระเจ้าโดยไม่ต้องกินอาหารและอยู่ได้ด้วยด้วยปีติปลาโมด อยู่ได้ได้กําลังของปีติแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าพิมพิสารน่ะสามารถเข้าพระาสมาบัติได้แล้วเพราะคนที่จะเข้าพระาสมาบัติได้นั้นแปลว่าหนึ่งได้หลีเกเล่นได้ไข้ควรได้เพยยียรพยายามแรงต่างใช่ไหมสามารถจะเข้าพระาสมาบัติได้เพราท่านมีเป็นโสภะโสดาบันทีนี้อยู่ตอเห็นนั่นแสดงให้เห็ น, น, น, หนชัดว่าจากทุกขเวทนาท่านก็ข่มทุกเวทนาแล้วก็เจริญ กุศลด้วยการมีพุทธคุณเป็นอารมณ์นีแล้วในที่สุดจริงก็ต่อจากการปราโมทย์ปีติปัสสติเป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็ประชุมลงอริยสัจเนีพิจารณาเดินสายวิปสัสสนาญาณเป็นต้นไปตามลําดับตั้งเริ่มตั้งแต่นามตั้งแต่อุทยาพญย า, ยายานเป็นต้นเป็นไปตามลําดับใช่ไหมจนถึงอะไรอนุโลมายานโคตระโูยาแล้วก็เข้าผลญาณไปเลยเข้าพระลักษมาบาัตรแล้วก็มีสมาธิ นนพอมีสมาธิที่มั่นคงก็เอิบอิ่มโดยปีตีปาโมที่มั้ก็อยู่ได้ต่อมาพระเจ้าอาชาตสตูถามเอายังไม่ตายก็ให้นายช่างกระบบกเข้าไปหาพอเข้าไปหาที่แรกะพระเจ้าพิมพิสารนึกว่าโอ้ยลูกเราทำนึกได้แล้วก็ไปรายงานบอกว่าอขออย่าได้เป็นโทษแก่มอมฉันเลยมีคำสั่งมาบอกให้ตัดฝาเท้าพระองค์แล้ว ก็ใช้มีดตัดใช้มีดโกนตัดแรกนเพราะท่านกระจงทําตามคาสั่งของพระราชาเถอะก็ยกเท้าขึ้นมาพาดบนเก้าอี้แล้วก็ให้ให้ให้ทหารเข้าไปกรีดฝ่าเท้ากรีดเพราะกรีดเข้าไปแลยจากปีติที่เกิดเนี่ยลดปุ๊บป๊บปอกบป้๊บปุ๊บปม๊บปุ๊บปุ๊กปุบพวกบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบพวกแล้วมันเบี่๊บ ที่โดนต้องแสงแดดเพิทุกข์ทรมานอยู่ไม่นานก็สวรรคตรเรียบร้อยเลยเลือดไหลไม่อยู่ให้โดนกัสฝ่าเท้ากลรมอะไรโน้ท่านก็บอกว่านี่นะไอยกลรมของการที่เอสวมรงเท้าเข้าอยู่ในลานประเจดียเป็นต้นนะแล้วก็เข้าไปเหยียบเสืออาศนะของผู้ประพฤติธรรมพะระสมเด็จเจ้าเป็นตนในทีิ เรียบร้อยต่อมาบอกสวรรคนคตปุ๊บไปเป็นอะไรดีชนะอวาสะพะเป็นยักษ์เป็นบริวารของเทาเวสวรเป็นเทวดายักษ์ไงเป็นเทวดาก็ทันได้ดีไปแล้วทีนี้อยู่ต่อมาคนที่ได้ทุกขเวทนาอย่างมากมากก็คือพร ะ, ะเจ้าชาชาสตูใช่ไหมเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ ข, ขจัดทุกขเวทนาทางใจไม่ได้ อ่าทาไมถึงจัดทุกเขากำจัดทุ ก, วทกวเวทนาทางใจไม่ได้เพราะนึกถึงอุศโกรรมที่ตนเองทำกับทำปิดุข้าต่าพอใช่ไหมทุกวเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีนี้ไปเฝ้าพระเจ้าก็ยิ่งกลัวใหญ่ล้ะเพราะโอ้โหพระเจ้าพิมพิสารมีความเคารพในพระเจ้าขนาดหนักเลยเคารพขนาดหนักนะ ตอนที่ไปส่งพระพุทธเจ้าไปเมืองเวสาลีนี่นะทำเรือทําแพต่อให้พระพุทธเจ้าพร้อมเด้อดสาววงองพระพุทธเจ้าใร้อยจากฝั่งแม่น้ําคงคาอีกฝั่งหนึ่งไปอีกไปฝั่งหนึ่งที่จะไปเมืองเวสาลีนี่ลอยไปเนี่ยเดินส่งพระพุทธเจ้านะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเดินเกาะแพที่ทําให้พระ500ร้อูปพร้อมเด้ววพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็เดินเดินเดินเกาะแพไปนี่นะเดินเดินเดินจากที่จากน้ําแค่เข่า ถึงเอลถึงทองถึงอกถึงคอจมจะจมอยู่แล้วชูชวมือขึ้นเลยนะบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถไปส่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ถ้าสามารถจะเดินไปได้ก็จะเดินไปจนกว่านี้เพรอะน้ําน้ําจะท่วมแล้วข้าพระองค์จักรอพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วพระธิดาเจ้าสศตษฐุลักขอให้พระองค์เสด็จกลับโดยเร็วเถอดเห็นไหมมีความรักความผูกพันุ์ความศรัทธาในพระธิดาเจ้ามากเห็นไหม มากจริงๆสร้างที่อยู่ถวายพระเจ้าเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด เ, ดเลยอันนี้คือคือความรักความศรัทธาในพระผู้มีพระเจ้าทีแล้วข่าวแบบนี้ยทําไมจะพระเจ้าชาติตตจะไม่ทราบอยู่นะแล้วตนเองก็โอ้เดือดร้อนมากนี่ส่วนจริงก็ไปเฝ้าพอไปเฝ้าไปเสร็จก็ไปขอเข้ามาพระเจ้าบอกอเขาข่าวพระองค์ได้กระทาผิดไปแล้วพระเจ้าก็ก็อาภัยให้นะ พอพายให้พระเจ้าก็แสดงเกี่ยงในเรื่อ ง, องความสุขให้ฟังเริ่มตั้งแต่ความสุขเกิดการออกบวชนะพระเจ้าเจ้าตัวถามพระเจ้าก็แสดงเลยบอกว่าออการออกบวชมีความสุขอย่างไรการเข้าถึงจุลศีลมชิมศีลหาศีลในศีลขันมีความสุขอย่างไรและ ก, การสำรวมยินทรีย์มีความสุขอย่างไรกันเจริญสติสัมบัชั์ญะในฐานะเจ็ดมีความสุขอย่างไรการสันโดษมีความสุขอย่างไร การได้ปฐมวชานทุติยวชานตัดิชานเจตุติชานมีความสุขอย่างไรการเจริญวิปัสสนามีความสุขอย่างไรก็อิทธิวิทาเจโตปริยะนี่เป็นต้นเลยนี่นะมโนมยิทยีเนี่ยทิพพโสะตะแล้วก็จกับปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานกระจบลงด้วยอาหาสวะขยญยานแสดงสูตรนี้จบพระเจ้าชาติสตูก็แสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็กลับไป พอกลับไปเบสเสร็จพระกุเทเจาก็บอกดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเท้าเธอไม่ทําปิตุกาณ์นะเท้าเธอเจ็บได้โสดาปฏิผลใช่ไหมแต่นี้เท้าเธอเสื่อมจากผลอันใหญ่ซะแล้วเนี่เสื่อมจากผลอันใหญ่ต่อมาก็ทําบุญใหญ่เลยใช่ไหมทาบุญใหญ่ทั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดแม้ครั้งสุดท้ายก็เป็นประธานในการทําปฐมสังขยาโดยการฝ่ายคารวะเนี่ยอยู่ฝ่ายสาสนูประธาพวกใช่ไหม ต่อมาพระพุทธเจ้าช า, ชาตูก็เจออกุศลกรรมเล่นงานเป็นทิฏฐาธรรมะเวทนากรรมลูกชายชื่อว่าอภัยพัฒน์ขึ้นมาแล้วจัดการสําเร็จโทษคองอเงินทำปิตุค่าตในวงเนี้ห้าห้าชกโคตทําปิาตุค่าหมดเลยต่อมาก็วงสู่สู่หน้า่ยก็ขึ้นมาปฏิวัติบอกไม่ไหวแล้ววงนี้ปล่อยไว้ทําปิาตุค่ามาตลอดเลยก็เลยชาวบ้านชาวมัวหมาทั้งหลายก็ปฏิวัติทํารัฐประหารก็เลยเปลี่ยน ต, บ, ตบบงขึ้นมาอันนั้นเกิดเชิงประวัติศาสตร์ก็ว่าไปทีนี้เอาพระเจ้าชาตตูไปไหนพระเจ้าชาตตูไปไหนพระเจ้าชาตตูไปอยู่ในโลหะกุมพีโลหะกุมพีนี่นะตอนนี้ได้ทุกขเวทนาไม่ได้มาจมจมลงเนี่ยค่อยค่อยจมลงในสามหมื่ 30, ปนปะีขึ้นมาอีกสามหมื่นปีสรุปแล 60, ป้วหกหมื่นปีตอนนี้กําลังจมอยู่นะเนี่ยยังไม่ได้หมื่นเลยใช่ไหม แต่ไม่รู้หมื่นปีนระกมากกว่า น, นี้เขาอีกค่ะกาลังจะจมลงจมลงแล้วจมลงในนรกไะจมลงเรื่อยๆแต่ว่าด้วยกุศลที่ตนเองทําแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิในบั้นปลายเนี่ยนะจะได้ตัดสั้เป็นพระประัะิเจ้าพระเจ้ามีนามว่าอะไรชีวิตวิเศษอ่าชีวิตต่าวิเศษสักชีวิตวิเศษน่ากรุณน้ำไหนี่นะตอนนี้ท่านก็ได้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาของท่านนานไหม นานมากนะต้องบอกว่านานเนี่ยทุกเวทนาที่ปริมาณของอุณหภูมิต้องดูอย่างงี้นะถ้าอุณหภูมิสมมติเราอยู่ในอุณหภูมนินี้ยเนี่ยสมมติปรับไว้ที่แอร์ที่ยี่ห้านี่นะสมมตนินี่ถ้าหากสภาพของอุตุนั้นยี่สิบห้าตลอดนะไม่ขึ้นไม่ลงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนานั้นยังเป็นสันตติอยู่นะนี่เขาเรียกปัจจุบันสันตติ ถ้าเวทนานั้นเกิดลดจากยี่บห้าเป็นยี่บสี่ไอ้ยี่สบห้าดับไปยังอุตุประเภทนั้นนะดับไปแล้วเวทนาที่รับอุตุประเภทนั้นก็ดับไปด้วยใช่ไหมก็เปลี่ยนเวทนานั้นก็มฉะนั้นคําว่าสันตติเนี่ยไอ้คาว่าปัจจุบันสันตติเนี่ยนานหรือไม่อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยทำปัจจุบันแล้วจะต้องตั้เดียวแป๊บเดียวเนี่ยอย่ใช่มันต้องดูว่าสภาพที่ว่า บางทีเนี่ยถ้าวัดกันวิถีก็ต้องดูว่าเออวิถีอะไรอย่างนั้นถ้าวัดโดยอาหารก็คือสภาพของอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงรู ป, ปากายนั้นหมดหรือยังเนี่ยเขาว่าเวทนาไอ้ปัจจุบันสัน ต, ติเนี่ยดูดูหลายมุมเนาะอันนั้นก็เวลาไปพิจารณาเรื่องเวทนาเราจะได้เข้าใจใช่ไหมโยมจะมาจะได้เข้าใจนะ่นี่เขาเรียกเหตุไกลของเวทนานี่พัสดุไอ้ที่ที่กรรมเนี่ยไม่ใช่เหตุไกลเขาเรียกเหตุไกลถ้าถ้าตัวพัสดุเนี่เป็นเหตุไกลใช่ไหมกรรมนั้นก็มีกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมอย่างเราเนี่ย เวทนาที่เราได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นเวทนาที่เกิดจากกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมจริงหรือเส ม, มอหรือเปล่าเส ม, มอไปหรือกปอ่มีบ้างไหมที่ได้ฮะถ้หลังจากนั้นคงน่เป็นประวัติการไม่ในประวัติการนี่ในประวัติการอีกามาก ในประวัติการถ้าในปฏิสนธิการเนี่ยเวทนาถ้าในมาหาคุศลก็เป็น2เวทนาพวกเราเนี่ได้สองเวทนาไม่อุเบขาเวทนาก็สมณสเวทนาเอรู้ได้ยังไงอ่ะตอนปฏิสนธิมาแล้วเราปฏิสนธิด้วยเบขาหรือสมณัตอันนั้นก็ในประวัติการนี่มีปกติเป็นคนชอบยิ้มแย้มผ่องใสไหมากไวด้วยความปลาโมดมากไว้ด้วยปีติมากไว้ด้วยสมณัติอันนี้ก็อา จ, จิสันนิฐานได้ใช่ไหมว่าโอนี่มาจะกลุ่มของสมณัติ ถ้าประเภทเฉยๆอันนี้เขมาคุมอุเบกขาทีนี้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเวทนาเนี่ย ใ, ใ, ใ, ในประวัติการนั้นทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรมเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เวทนาเนี่ยให้โสมอนัสก็ได้ให้อุเบกขาก็ได้ก็ให้โทมอนัสเวท น, นาก็เป็นต้นก็ได้อันนี้นก็ต้องดูเนาะเราถามว่าชีวิตของเราเนี่ยทางทาวารตาหวัวจมูกเล่นกายใจเนี่ยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ที่ส่งผลให้ได้ โอ้โหสารพัดเลยตื่นขึ้นมาทางตะวันตาเห็นดีได้ไหมเห็นดีก็ได้เห็นไม่ดีก็ได้ได้ยินดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เป็นต้นสรุปแล้วเนี่ยเป็นที่ดูบุญดูบาบไหยกําลังรับผลบุญผลบาปไหมกําลังทําบุญทําบาปอยู่ไยมก็ต้องไปดูแต่แสขันนี่เป็นอย่างงี้นะตอนนี้ก็กําลังอ่ะตอนนี้กําลังทําอะไรเนี่ยกำลังจเจริญกุศลอยู่ใช่ไหมต่อเนื่องเลยไหม มีมีบาบแทรกเป็นระยะไหมแทรกยาวไหมมีไหมแบบเผลอแบบพักๆยาวๆเลยต้องกาลังนั่งฟังว่าทำอยู่นี่แหละมันไม่เข้ามาเดี๋ยวเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันเข้ามาแทกนานเลยใช่ไหมพอใจะู้เนื้อรู้ตัวนี่คู่คนลาบากเลยใช่อันแสดงให้เห็นใจอันนี้ไม่ใช่ไปกรรมส่งผลนะบางทีเนะี่ยเป็นประเพียนผิดก็ได้นกะ็เรียกวโยควิบัต ไม่ตั้งโยนิสโสมนสิการ์ไว้ใช่ไหมอัตยาสัยปล่อยยนเคยชินแล้วเดียวฉะนั้นภสษานั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับแม่โคที่เขาถลกหนังแล้วเห็นแม่โคที่เขาถลกหนังแล้วก็ไปเยืนอยู่กลางแจ้งไหมฉะนั้นภาษาจึงเป็นที่ตั้งของเวทนาฉะนั้นบรรดาเวทนาเหล่านั้นคือสุกเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีแล้ว อทุกขมาสุขเวทนาก็ดีเนี no er ่ยภาษาที่ให้เสวยสุขเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภาษาที่ให้เสวยทุกเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาภาษาที่ให้เสวยอาทุกขมาสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของอาทุกขมาสุขเวทนาทอธิบายว่าอาทิฐิฐานะได้แก่อาสันนาการคือเหตุใกล้มีเหตุกล้เป็นอย่างนี้ก็ถามต่อไปแต่เนี้ยประทัดฐานของ เวทนาเป็นประฐานของอะไรปรัจจะเป็นประฐานของเวทนาเวทนาเป็นประฐานของตัณหานะฉะนั้นก็คือเวทนาเป็นประฐานของตัณหาโดยมีความปรารถนายิ่งยิขึ้นไปในพระบาลีว่าไงดีเวทนาปัจญาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีทีนี้สุขเวทนาเป็นประฐานของตัณหานี่ก็ต้องยกไว้ใช่ไหม แต่ถ้าทุกขเวทนาและทุกขมาสุขเวทนาจะาถามว่าเป็นปรรทัดฐานของตัณหาได้ยังไงเอาเป็นปรรทัดฐานของตัณหาได้ยังไงใช่ไหมใช่ถ้าสุขเวทนานี่เป็นปรรทัดฐานของตัณหานี่ชัดเลยเนี่ยใช่ไหมใช่อทางวาตาหจมกกลิกายใจเนี่ยถ้าตัณหามเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นมันก็เดินตามอยู่างพวกว่าราคาหนูใสตามนอนตามนอนเรื่องสุขเวทนา ถ้าปฏิคานนิสัยตามนอนเนื่องอะไรทุกขเวทนายังไม่มีสูดรมีอยู่นนเนี้ยแล้วก็อะไรอทุกขมสุขเวทนานี้มีอะไรตามนอนเนื่องเอาวิชานุสัยก็ตามนอนเรื่องอทุกขมสุขเวทนาตอนนี้เขาบอกว่าผู้ที่พลังพร้อมได้ความสุขเนี่ยก็ยังปรารถนาความสุขเช่นนั้นหรือความสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นฉะนั้นจะป่วยกล่าวไปยายถึงผู้ที่ถูกความทุกขครอบงำ หรือถูกอุเบกขาครอบงำใช่ไหมท่านเรียกว่าสุขก็คือปัญหาก็ อ, อยู่ตรงที่บอกว่าถ้าทุกคเวทนาครอบงำแล้วบุคคลก็ปราถนาสุขเมื่ออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วบุคคลก็ยังปรารถนาสุ ข, ขเวทนาอยู่นะี่แหละก็คือปราถนาก็ฉะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นประทา ฐ, ฐานของตัณหาบางทีบางทีคําว่าประทา ฐ, ฐานเนี่ยบางทีเราจะไปคิดแค่ว่าสุ ข, ขเวทนาก็ไม่ได้ เช่นเราได้รับทุกขเวทนาเนะี่ยแต่เราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นแต่เราก็จะไปนนขนายในการที่จะสแสวงหาสุ ข, ขเวทนาที่ยิ่งยิ่งยิ่ไปเนี่สัตว์โลกเราอยู่ตรงนี้เนาะเขาไม่รู้กันไงว่าเวทนาเป็นขันขันหนึ่งใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเวทนานะั้นเป็นขันพระพุทธองค์ทรงอุปมาบอกว่ารูปขันเหมือนฟองน้ําเวทนาขันเหมือนตอมนม้ําสัญญาขันเหมือนพยักบแย่ใช่ไหมสังขาระขันเหมือนต้นกล้วยวิญญาณขันเหมือนนักมายากลุล ใช่ไม่ใช่กรอบกระดานเหมือนฟองน้ําเคยเห็นฟองน้ํำไหยไอ้ฟองน้ําที่มันใหญ่ๆหน่อยสมัยเป็นเด็กๆนะเดนมาร์กชอบเล่นชอบไปเล่นฟองน้ําำก็จะหาไม้เป็นพวกไม้เป็นลันเล็กๆนี่นะไปสอดเข้าไปไปสอดเข้าไปในไอ้ที่ฟองน้ําที่มันเป็นมันจะเป็นตอมใหญ่หน่อยในฟองน้ําเนี่ยมันนั้นหนาหน่อยและไอในฟองน้ํามันจะมีตัวแมลงมีพวกสัตว์น้ําอะ มันวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งเข้าไปมันก็ไปหลบร้อนอยู่ในนั้นแหละเยอะหมดเลยพวกเราก็จะไปเล่นกันจะเป็นเด็กนะเป็นเด็กบ้านนอกเลยนะก็ต้องเอาเอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมาแข่งกันว่าใครจะสามารถให้ฟองน้ํานั้นตั้งอยู่ได้นานกว่ากันก็แข่งกันนี่พอฟองน้ำนั้นมันแตกออกม า, มาแมลงก็วิ่งออกไปก็สนุกกันนี่ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ไม่รู้หรอกว่าเออนี้รูปปัน้นเหมือนฟองน้าก็แปลว่าอะไรรู้ไหม เขาองค์สองอบมาบอกว่าในรู ป, ปากายของสัตว์โลกนี่เต็มไปด้วยหมู่หนอนเขาเรียกจิมมีชาต์นะแปดสิบตระกูลก่อนนะมากกว่าแปดสิบตระกูลเ่ยั่วเยี้ยไปหมดในนั้นเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งที่สืบพันเป็นที่ทายูเจลปัสวะเป็นที่ลบราข่าฟันกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฉะนั้นในรู ป, ปากายของเรานี่เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวยังนะเยอะไหมเรามีเพื่อนเยอะไปหมดว่ามัน้นเนี่ย ทุกวันนี้มันกำลังทสงาสงครามกันก็มีอยู่นะเนี่ยเนีย่ยเป็นอย่างเงี้ยก็แสดงเองชัดว่ารูประกายนี่เป็นอย่างนี้แล้วมันในที่จริงมันไม่เที่ยงนะเป็นรูอ่ะมันเป็นรูส่วนเวทนาขันเหมือนต่อมน้ําไม้ตอมน้ำมันแตกเร็วมากพอมันโตขึ้นมานิดหน่อยเว่าเกิดจากน้ําตกก็ดีเกิดจากฝนตกเป็นต้นก็ดีเนี่ยมันจะเป็นฟองขึ้นเล็กๆๆๆๆๆๆแล้วมันก็จะแตกไปตามลำดับเนี่ยนะเนี่ยเวทนาขันเหมือนตอมน้า ฉันตอมน้ำเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่มีแกนสารไม่มีสาระเลยนะที่จริงก็คือว่ามันแตกดับได้รวดเร็วแม้ฉันไดเวทนาก็อย่างนั้นทีนี้สัตว์โลกทั้งหลายลองมาคิดดูที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มียพระเจ้าตั้งอัตยาศัยไว้กับอะไรไว้กับเวทนาปราถนาอะไรปราถนาสุขเวทนาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ปราถนากันแล้วถูกพ่อแม่สอนลูกให้ขยันเรียนโตขึ้นจะได้สุขเวทนาได้สบายอะ่ะ ก็ให้แม่ก็สอนเราให้ตั้งความรู้สึกหรือตั้งเป้าหมายไว้ที่สุขเวทนาเนะใช่ไหมเออขยันเรียนทีเล็กๆก็ขยันกินโตขึ้นจะได้สบายขยันเรียนนะลูกนะจบแล้วจะได้สบายใช่ไหมเรียนจบมาแล้วก็เออลูกหางานทำนะได้งานทําจะได้สบายได้งานทําแล้วลูกมีครอบครัวที่จะได้สบาย มีครอบครัวมีลูกที่จะได้สบายมีลูกลกเรียนจบก็จอสบายลูกเรียนจบลูกแต่งงานมีหลานหลานจะสบายอุ้ยแต่หละนแตหลานแต่งงานจริงสบายใหญ่เราจะเป็นคุณยายเป็แเล็กว่ารู้เยอะๆเป็นคุณตาเป็นคุณยายเราถูกพ่อแม่บอกแบบนี้ถามพ่อแม่หลอกเราไหมห้ามพูดว่าหลอกนะไม่ท่านก็ถูกข้อมูลแบบนี้มาพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกเราอย่างเนี้ย เพราะท่านก็มองอย่างนั้นใช่ไหมบางทีท่านก็มองพวกเรากําลังดิ้นรนทํางานทําการนั่งดูเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะท่านก็ไม่ได้บองว่าทําเนี่ยท่านคิดไม่ออกเออท่านนืมคิดไปว่าตอนนี้ท่านไม่ได้สบายเลยเลยท่านกำลังเป็นห่วงลูกหลานอยู่เนี่ยมันขับรถไปทํางานมันจะกลับมาเห็นหน้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็ดิ้นรนก็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมสแสวงหาเวทนาขันพระเจ้าสแสวงหามันมีสาระของความงามไหม เวทนาไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความสุขไม่ไม่มีสาระของความเที่ยงแค่แน่นอนไม่มีสาระของความเป็นตัวเป็นตนในนั้นเลยไม่มีเวทนาขันเวเวทนาขันไม่มีสาระเหล่านี้เป็นต้นนะสัญญาสังขารวิญญาณขันรูปขันก็เป็นในลักษณะอย่างเนี้ยไม่มีสาระของความงามของความเที่ยงของความสุขของความเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยใช่ไหมใช่ทีนี้เราถูก ปลูกสอนที่ไม่ใช่เป็นไปตามพระธรรมคำสอนเนี่ยปูกฝังมาแบบเนี้ยแล้วก็ปราถนาสุขเวทนาทั้นซึ่งสุขเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ย ง, งเป็นทุกข์มีความแปรบวนเป็นธรรมดาเก็บเราไปตั้งความรู้สึกของเราไว้กับเวทนาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราปราถนาทุกยินดีในทุกข์เพลิดเพลินในทุกข์ที่จะพ้นจากทุกข์มันใช่ฐานะไหมเนี่ย ก็มันไม่ใช่ฐานหน้าที่จะเป็นไปได้เออก็มาใครคนตามว่าทำำํำกุศลกุศเจ้าอุตงอัตยาศาัยใหม่พุศเจ้าบอกทานกนะุศล ส, สี่งกุศลเป็นต้นมันต้องตั้งไว้เพื่อพันนิพพานนะเพื่อดับอะไรเพื่อดับเวทนาเนี่แหละมันต้องตั้งอัตยาสาัยเพื่อดับเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยไม่ไม่มีศีละะนะักษณะที่ตอนนี้ทําไงดีเราจะดับเวทนาได้นําสิ่งที่ไม่มีสาระเนี่ยไม่แปลเปลี่ยนให้เป็นสาระได้ไหมเอ่ได้ไม่ได้ รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันรูปนามกายกับใจไม่มีสาระแล้วเราไม่เห็นสาระของความงามเป็นต้นแล้วแต่เราจะมาทําสาระให้เกิดขึ้นในกระแสขันนี้ได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ทําไงดีเอาศีลสาระเข้ามาได้ไหมน้อมเข้ามาได้ไหมเอาสมาธิสาระเข้ามาได้ไหมเอาปัญญาสาระเข้ามาได้ไหมประชมศีลสมาธิปัญญาน้อมเข้ามาโอปนันนิยโกเข้ามาได้ไหมพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมจักรกบุตรวนาสูตรใช่ไหม เาธรรมจักรกับพระวัฒนาสูตรเนี่ยพระเจ้าบอกธรรมจักรก็แปลว่าอะไรกงล้อแห่งธรรมอยู่ไหมกงล้อแห่งธรรมอย่ไหมถ้าอนาจากรเขาเรียกอะไรกงล้อแห่งอำนาจอยู่ไหมถ้าอานาจักก็คือกลุ่มกลุ่มคนที่เขาแสวงหาอํานาจกันเมืม่อมีอํานาจแล้วก็ก็แผ่อํานาจแผ่อํานาจออกไปกันนั่นก็เรียกว่ากองล้อแห่งอำนาจแต่พระพุทธเจ้านี่ธรรมจักรพระเจ้าหมุนอะไร มุนศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่กระแสขันของสัตว์โลกถ้าหมุนเข้าสู่กระแสขันของใครแต่ศีลกูศีลละขันนั้นประเสริฐเข้าหมุนเข้าสู่กระแสขันศีลนี่เป็นปฏิปักษ์กำจัดอะไรดีกำจัดโทสะใช่ไหมสมาธิขันนันประเสริฐกำจัดอะไรราคะปัญญาขันนันประเสริฐกำจัดอะไรกำจัดโมหะฉะนั้นถ้าหมุนศีลสมาธิปัญญาหรือหมุนธรรมจักรเข้าสู่กระแสขันของขันที่สมมุติว่าเป็นของเรานี่ได้ เราสบายไหมกําจัดราคะโทสะแล้วก็โมหะได้นะให้กําจัดแบบประเภทตทางค้าประหารไว้ก่อนเพื่อเป็นอัตยาสายแก่วิคขำพนาประหารและสมุชีท้าประหารในนายก็ทําได้ไหมให้ให้ให้ธรรมจักอยู่นานๆนะให้ศีลขันนั้นประเสริฐสมาธิขันนั้นประเสริฐแล้วกัปัญญาขันนั้นประเสริฐนั้นแหะนะหมุนเขาอยู่ให้นานๆอย่าให้หลุดไปจากกระแสจิตนะเนะขาอุปมาเหมือนอะไรวะเหมือน อาจารย์มาเคยบ อ, ก, อกขันเนี่ยเหมือนกับรถยนต์ละคันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและในนั้นก็คือมีอะไรดีโทสะก็ดีโลภะก็ดีโมหะก็ดีเป็นขันอะไรเป็นสังขารละขันเนะขันเหล่านี้ที่แหละที่มามีอิทธิพลในการวาปรุงแต่งทําให้กระแสขันเราก็เสื่อขสนกันเปนมาอย่มั้งในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคูกการเหยียบการคิดนึกต่างๆทีนี้ปัญหามีว่ามันเหมือนที่ว่า เหมือนคนขับรถเนี่ยที่เา่าคอยชินที่สุดก็คือเราใช้ใช้โลภะขับบ้างโทสะขับโมห่ากอดบ้างอยู่ะไหมโอเล่นขันขันนี้แทบพังเลยเยอะไหมในชีวิตที่ผ่านมาได้หลับตามองอย่างเด็กๆที่มาถึงปัจจุบันใช่ไห ม, ไหมแล้วก็ปล่อยกระแสจิตละบายถึงเวลาแล้อยังที่เราจะเปลี่ยนบอกไม่เอาแล้วเราใช้ศีลสมาธิปัญญามาแทนดีกว่านะแทนโลภะโทสะมองหา่างทำได้ไหม ต่อไปให้ให้เป็นไปตามเดิมแหละแต่เราเปลี่ยนบอกไม่เอาแล้วโลคัสตัวส์มมหัใช้มานานแล้ววูจะพังหมดแล้วใช่ไหมจิตจะติจิตจะรออยู่ทุกทวารอยู่แล้วเนี่ยทางทวารตางวูจะบมุนเล่นกายใจเนใช่ไหมเปลี่ยนยากไหมลองดูนะเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวช่วงเบรทนี้ี่หมดถึงเวลาเลยบอกว่าไม่เอาแล้วโลคัรศัวส์มมหัชชัก็มานานแล้วบอกขอหยุดประกาศบอกเขาที่บอกว่า ให้ให้หยุดสักเดือนนึงก่อนเดี๋ยวครบเดือนนึงแล้วมันจะคุยกันใหม่ว่าจะต่อสัญญาเดี๋ยวเอางั้นนะอาแล้วช่องนี้ก็เบรกกันหน่อย